89.5 เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับ t r a v e e r Travel โดยด็อเตอร์วิภาวีเวีรวงศ์ดรอกเตอร์สอนชัยบุตรแก้วและอาจารย์พี่พัฒนพงศ์วัฒนกระยากุลที่นี่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการเ้าวเจอร์สาวเวลนะคะพบกับวิชานิภาวีวรวงค์ค่ะและคุณ อ, อกากัสนะคะพี่พัฒนพงศ์วัฒน ก, กัลยากุ่นค่ะซึ่งจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังนะคะที่นี่เอฟเอม้าจุดหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะรายการของเรานั้นก็ขอย้อนกลับไปค่ะวันสําคัญที่สุดของประเทศไทยวันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงรู้ก่อนเที่ยว ในกังของเรานั้นก็จะนําเสนอ น, นะคะคข้อมูลของวันพ่อที่ผ่านมานะคะและก็ช่วงต่อไปนะคะถ้าใครนะคะช่วงวันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวนะคะก็รอฟังคุณออกัสค่ะคุณออกัสนั้นจะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้คุณผู้ฟังนั้นจะเที่ยวนะคะได้สนุกสนา น, นะคะ่ะก็คือนะคะอาหารวันพ่ออาจจะไม่ได้ไปก็ไปวันอื่นกันได้ค่ะคุณผู้ฟัง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 และในเรื่องของข้อมูลวันพ่อนะคะวันนี้การเราก็มีมานําเสนอคุณผู้ฟังค่ะวันพ่อแห่งชาตินั้นนะคะก็จะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะก็หลายคนนั้นก็ทราบดูดีอยู่แล้วนะคะวันที่5ธันวาคมนั้นก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะโดยทางราชการเนี่ยก็ได้มีกําหนดนะคะให้วันพ่อแห่งชาตินั้นเป็นวันหยุดราชการนะคะซึ่งหลายๆคนนั้นก็ได้หยุดวันพารือหัดมานะคะแต่รู้กันไหมคะว่าคุณผู้ฟังค่ะว่าวันพ่อแห่งชาตินั้นแต่ละประเทศนั้นตรงกับวันไหนและววันพ่อแห่งชาติของไทยนั้นมีที่มาอย่าง ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเรานั้นนะคะจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรู้จักกับเรื่องราวของวันพ่อแห่งชาติกันค่ะวันพ่อแห่งชาตินั้นนะคะก็ถือเป็นวันสำคัญค่ะที่ฉลองถึงความเป็นพ่อนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่น่านับถืออย่างยิ่งเลยแะค่ะโดยจอห์นบีดอสเชาเมเมรกานนั้นนะคะก็เป็นผู้ที่ไดเ้เริ่มคิดวันพ่อแห่งชาติค่ะโดยงานวันพ่อแห่งชาตินั้นนะคะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5กรกฎาคม พุทธศักราช2461นะคะในบทแห่งหนึ่งในเมือง แฟร์มอนด์นะคะรัฐเวอร์ซูเนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกา น, นั่นเองค่ะและก่อนที่แนวคิดวันพ่อของจอห์นบีดอตนะคะจะถูกเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยวันพ่อแห่งชาติของแต่ละประเทศนะคะก็จะ ก, กําหนดวันและการจัดงานที่แตกต่างกันเออกไปนะค ะ, ะเช่นประเทศสเปนตุรกีอิตาลีนะคะก็มีวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่19มีนาคมค่ะและของเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตรงกับวันที่8พฤษภาคมนะคะ และประเทศเดนมาร์กคตรงกับวันที่5มิถุนายนนะคะแต่มีประเทศนี้นะคะก็จะแตกต่างจากทั่วโลกก็คือประเทศญี่ปุ่นและอาร์เจนตินานะคะวันพรุนนั้นก็เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะยังไม่หมด แค่นั้นนะคะประเทศโบแลนดนั้นมีวันพ่อวันที่23มิถุนายนนะคะประเทศบราซิลนะคะก็นับเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะวันอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาคมค่ะประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะก็เป็นอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนก็นับว่าเป็นวันพ่อนะคะประเทศฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์นะคะนับเป็นวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนและประเทศไทยของเรานะคะวันที่5ธันวาคมนั้นก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง สำหรับวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยนั้นนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะซึ่งกระตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมบูนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมมหานิกายที่เบสมหาภูออวิผลอดุลยเดชมหาราชนะคะก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2470ค่ะและในวันนี้นะคะยังได้มีการกําหนดให้ดอกพุทธรักษานั้นเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ ด, ด้วยนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งก่อนหน้า น, นี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เคยมีการกําหนดวันวันชาตินะคะวันที่24มิถุนายนค่ะเพราะว่าเป็นวันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปกครองระบบสมบูรณ์จริญ า, าสิทธิราชฎ์นะคะมาเป็นการปกครองในระบบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยค่ะโดยได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกในปีพุทธศักราช2482นะคะในสมัยที่จอมพลปปิปูลสงครามนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะซึ่งวันชาติของไทยนั้นนะคะก็อยู่มานานถึง21ปีค่ะคุณผู้ฟังจนถึงวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2503 ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายพระบรมราชสมภพนะคะเป็นวันเฉลิมฉลองของวันชาติไทยนั่นเองค่ะและสาเหตุที่เปลี่ยนนะคะก็เพราะว่ามีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการค่ะคณะกรรมการนั้นจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยนะคะที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะคะและเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติทั่วไปด้วยนะคะจึงถือเอาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยค่ะโดยยกเลิกวันชาตินะคะวันที่14มิถุนายนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นะคะประเทศไทยนั้นจึงได้ถือเอาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนมหาราชวีรเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติของไทยนับตั้งแต่นั้นมาค่ะคุณผู้ฟัง และสิ่งสําคัญเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชหนิกายที่เบสมหาภูมิพลอดุธิเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์นั้นยังมีพระมหาการุณาธิคุณค่ะซึ่งทรงบํารุงทุกบำรุงสุขให้ประสบนิกรทั่วหน้าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นพ่อแห่งชาตินะคะของประสบนิกรชาวไทยทุกคนจริงๆค่ะโดยอาาประชาราชนั้นนะคะก็มีความเทิดทูนด้วยความจงรักภักดีค่ะและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณนะคะและยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนั่นเองค่ะ และสิ่งสําคัญในการจัดงานวันพ่อนั้นนะคะก็เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อคะ่ะและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมนะคะเพื่อให้ลูกนั้นได้แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีตาต่อพ่อนะคะและเพื่อให้ผู้เป็นพ่อนั้นสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนค่ะและสิ่งสําคัญอีกข้อนึงก็คือเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อและลูกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีนะคะก็สมควรแก่การยกย่องในสังคมนั่นเองค่ะ และสิ่งสุดท้ายนะคะก็เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนั้นนะคะให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะ และส่วนกิจกรรมวันพ่อนะคะที่ปฏิบัติกันทุกปีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินะคะได้แก่มีการประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือนนะคะการจัดพิธีาศาสนาสงค์นะคะมีการทําบุญใส่บาทการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟังและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับกิจกรรมวันพ่อนั้นนะคะก็คือการมอบรางวัลพ่อตัวอย่างหรือพ่อดีเด่นค่ะเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อนะคะและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบ และสังคมตามวัถุประสงค์นั่นเองค่ะและอีกทั้งอย่างนะคะเพื่อให้พวกเป็นพ่อนั้นได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในความเป็นพ่อของตนเองค่ะ และทั้งนี้นะคะในวันพ่อแห่งชาตินะคะที่ผ่านมาและทุกๆวันนะคะลูกๆทั้งหลายก็อย่าลืมแสดงถึงความกตันยูกตเวทิตาที่มีต่อพ่อนะคะแล้วก็นะคะควรแสดงความรักและความกระตันยูต่อพ่อนะคะแสดงในทุกวั น, นะคะ่ะไม่ใช่แค่วันพ่อนะคะคุณผู้ฟงังค่ะและนั่นก็เป็นข้อมูลจากนะคะมหาวิทยาลัยรามคาแหงนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงและเว็บไซต์กระปก .com นั่นเองค่ะคุณผู้ฟงังยังไงช่วงนี้นะคะในช่วงรู้ก่อนเที่ยวนั้นเราได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมา ของวันพ่อแล้วนะคะคุณอากาสนั้นสภาคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวกันค่ะในช่วงวันหยุดนะคะอ่าหรือหลายๆคนนั้นยังไม่ได้ไปเที่ยววันหยุดก็ลองไปฟังคุณอากาสดูนะคะในช่วงเท่าลทาพาเพลินค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอพักสักครู่ค่ะ ท้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นรอกอรูพ่อคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพอ ได้ไหมบวกกันเป็น พวงชมพูกาแฟหอมกลุ่นชาบพวงชมพูเบเกอรีร่สดใหม่ชาบพวงชมพูรสชาติเดนใจชาบพวงชมพูทุกเพศทุกวัยฝากทองได้ที่ชาบพวงชมพูศูนย์ปฏิบัติการชาบพวงชมพูให้บริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และห้องบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานห้องขนาดใหญ่อากาศดีใกล้ธรรมชาติราคาย่อมเยาวด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพควบคุมการรังสรรค์เมนูอาหารคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโูชจนาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสอบถามข้อมูลได้แล้ววันนี้ที่ 02-549-3161 จะมีสักกี่คนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคัญ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 สำหรับในเดือนนี้นะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มานาถบาพิตร รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคมพุทธศักราช2562ในโอกาสนี้รัฐบาลเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันในงานนี้นะครับได้มีการจัดขึ้นโดยส่วนกลางได้จัดขึ้นณบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา10นาิกาถึงเวลา20นาฬกาครับ ภายในนะฮะจะมีการจัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวิถีไทยในแบบพ่อเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นําแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการบริหารชุมชนจนประสบความสําเร็จให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนิทรรศการปฏิทานความดีมีแล้วแบ่งปันกิจกรรมเกี่ยวกับ CSR ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์แห่งพระราชามาร่วมสืบสารรักษาต่อยอด นอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมนะครับสําหรับการบริการประชาชนเช่นการฝึกอาชีพบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านวดแผนไทยการแจกจ่ายก้าไม้ต่างๆครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสวัสดีวันพุธบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีโดยสํานัก ง, งานคณะกรรมการงานอาชีวะศึกษาครับ และสำหรับสัปดาห์นี้เราท่านผู้ฟังออกายาพาท่านผู้ฟังเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ดินพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ครับกรมพัฒนาที่ดินได้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทรัพยากรดินการสํารวจการจําแนกดินภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทยเพื่อให้ใช้นะครับประโยชน์อย่างยั่งยืนประอย่าเป็นทางการครับเมื่อวันที่ยี่สาพฤษภาคมพุทธศักราช2549 ภายในพิพิธภัณฑ์ครับมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์การก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินและเครื่องมืออุปกรณ์ในการสำรวจดินแผนที่ดินในสมัยต่างๆวัตถุต้นกำเนิดสันฐานของดินบางประการตัวอย่างหน้าดินการจำลองและชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยพร้อมทางลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลแสดงคําอธิบายลักษณะและสมบัติของดินรวมถึงข้อมูลทางด้านวิชาการด้านอื่นๆที่ได้ทำการบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์สะหรับผู้สนใจสามารถศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ ในร่วงราชการที่9กับงานพัฒนาดินในร่วงราชการที่9ทรงตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายจากความเสื่อมโทรมของดินทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากการกระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนจึงทรงพระราชทานพระราชดำริในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรดินให้นานนับประการ ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นโครงการพระราชบริที่นำประโยชน์สูงมาสู่เกษตรกรและความอุดมสมบูรณ์ของดินทั่วประเทศเช่นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดการดินเปรี้ยวโดยใช้การแก้งดินรวมถึงการถนอมรักษาดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่นาหรือการแบ่งพื้นที่ตามแนวทางทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองได้ตลอดจนพระราชสำเร็ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หลัจากงานจัดสันที่ดินทํากินระยะแรกแล้วแนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรดินของในรลวงรัชกาลที่9ได้ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องของการพัฒนาการอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ให้ตกต่าเช่นการวิจัยและการวางแผนใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะสภาพดินการศึกษาเพื่ออนุรักษ์บำรุงรักษาฟื้นฟูดิน และวิธีส่วนใหญ่เป็นวิธีการตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้นเช่นให้มีการผูกไม้ใช้สอยร่วมกันกับการใช้ผูกพืชไร่เพื่อประโยชน์ให้ได้ร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้นหรือการผูกพืชบางชนิดในพื้นที่ซึ่งดินไม่ดีแต่พืชชนิดนั้นให้ประโยชน์ในการบำรุงดินให้ดมสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมสำหรับการผูกพืชผลทรงแนะนำให้ใช้ประโยชน์ด้านอื่นเช่นฟื้นฟูเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นตน้นในระยะต่อมาในหลวงราชการที่9ทรงให้ความสำคัญมากขึ้นในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราช ด, ดำริในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้นเช่นการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวดินทรายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาดินพรุในเขตภาคใต้และที่ดินชายฝั่งทะเลรวมไปถึงงานในการแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟู ด, ดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะลางหน้าดินตลอดจนการทําแปลงสาธิตการพัฒนานที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมในบางพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรมด้วยสาเหตุต่างๆทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินทั้งหลายสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก โครงการต่างๆในระยะหลังจึงเป็นการรวบรวมความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติจากหลากหลายสาขามาใชา้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างเด่นชัดนั้นก็คือแนวคิดและตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์การศึกษาการพัฒนาทุกแห่งพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการดาเนินงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินที่สําคัญ ได้แก่แบบจำลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์การจัดการทรัพยากรดินโดยการอนุรักษ์บำรุงรักษาที่ดินมีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ดินปนทรายและมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีแบบจำลองอยู่ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสะเสิงเซา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยพระราชทานพระราชดำริในการจัดขึ้นเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินการขยายพันธุ์พืช เพื่ออนุรักษ์ดินและบำรุงดินและสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เองสำหรับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีการแก้งดินในโรวงราชการที่9ได้รับทราบความเดือดร้อนของประสบนิกรในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในจังหวัดนาราธิวาสที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทําให้การเพราะผูกไม่ได้ผล พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินพรุเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวณศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพสามารถทําการเพาะปลูกได้พระองค์ทรงแนะนําให้ใช้วิธีการแกล้งดินเริ่มจากการแก้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน เพื่อที่จะเล่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินปุ้ที่มีสารประกอบของกำมะถันที่จะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดจัดเมื่อดินแห้งจากนั้นก็ทำการปรปับปรุงดินที่มีกรดจัดด้วยวิธีการต่างๆที่จะลดความเป็นกรดลงมาให้อยู่ในระดับที่เพาะผูพืชผลทางการเกษตรได้จากนั้นยังมีโครงการในพระราชดำริชื่อหญ ah ้าแฝก กับการรักดินและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพพื้นที่ดินในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความลาดชันเช่นพื้นที่เชิงเขาที่อยู่ในสภาพเสื่อมทรมเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริในการป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของหน้าดินโดยใช้วินธรรมชาติคือการใช้หญ้าแฝกมาผูกนั่นเองครับท่านผู้ฟัง สำหรับในพิพิธภัณฑ์ดินนะครับมีการจัดแสดงข้อมูลต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาของกรมพัฒนาที่ดินทรัพย์กรดินของประเทศไทยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจดิน แผนที่ดินของประเทศไทยตัวอย่างของหินตัวอย่างของหน้าตัดดินที่พบในภาคต่างๆของประเทศไทยดินที่มีปัญหาต่อการทำการเกษตรเครื่องมือคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถบันทึกข้อมูลพวกนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ไปเรียนรู้กันเลยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการต่างๆนะครับในพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูดินที่มีปัญหาอย่างที่ยวกัดได้กล่าวไว้ข้างต้นครับ สำหรับท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาไดที่วิรุพันธ์ดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาคาร6ชั้นกรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธินเขตจตุจัจจกรกรุงเทพห0ึ่0าสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมนะครับสามารถเข้าศึกษายเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬกาเว้นวันหยุดราชการครับ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข029411968 029411968ครับสำหรับสัปดาห์นี้ออกอากละพิบโบต้องราท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณข้อมูลนะครับจากพิพิธภัณฑ์ดินคอมเพื่อเฟือข้อมูลให้เราในครั้งนี้สำหรับสัปดาห์หน้าก็จะพาท่านผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ออกกแลก็พิบูลลาท่านผู้ฟังกอขอบคุณเลยสวัสดีครับ